คคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายุยยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์ความรู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าภูมิความรู้ของวิปัสสนากรรมาฐาน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 มันจะแยกไปทางสายอารัมมโนปนิธานจิตว่างไปเฉยๆแล้วก็แยกไปในสายลักคนูปนิธานจิตสงบแล้วเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาความรู้ความคิดอ น, นั้นจะเป็นอะไรก็ได้แล้วใจจิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งในขั้นนี้ทุกสิงทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ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 กำหนดลู่อยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวหนักๆเข้าลมหายใจจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วล ง, ลลงเหมือนขับจะหยุดหายใจตรงนี้ต้องประคับประคองจิตให้ดีอย่าเอใจและตกใจถ้าเราไม่เกิดเอใจตกใจสมาธิของเราจะยั้งอยู่ได้นานถ้าลมหายใจหายขาดไปปับ๊บ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 แล้วในที่สุดมันจะสรุปลงว่าร่างกายนี้เป็นแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนในเมลูเห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะงั้นจะด้วยประการใดก็ตาม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 ก็ให้ยกอวิชาความรู้ที่เราเรียนมาในท่านของเรานั่นเลยมาเป็นอารมณ์พิจารณาเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ตามอย่างวันนี้ไปโรงเรียนมาอาจารย์สอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พัก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 พว่าคำว่าสภาวธรรมหมายถึงกายกับใจของเราสิ่งที่เราสามารถรับรู้โดยตาหูจมูกเล่นกายและใจรวมทั้งธุรกิจการงานอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันการศึกษาวิชาความรู้ที่เราเรียนมาตามชั้นนั้นๆอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งรู้ของจิต